ตั้งแต่เช้าจนค่ำเละตัดึกเดินเที่ยงคืนเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะคุยใครก็แล้วแต่เออตั้งแต่เช้าคุยมาตลอดเนี่ยนะจนหลับจนตื่นเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวั น, กวนเก็บสะลองคํานวณดูว่าเราพูดทั้งหมดกี่คํามาแล้วถ้ามานั่งยิ้มแฉ่งแล้วสบายใจแม่บุญมันก็ไม่มีมั้งบาปมันก็ไม่มีแต่ถ้าฟุ้งซ่านเดือดร้อนเป็นต้นให้รู้เถอะว่านั่นเป็นปกติเนี่ยนะเพราะไม่มีอากุศลที่ให้ผลเป็นสุขหรอกเนี่ยนะไม่มีอากุศลเหล่าใดที่จะสร้างความ เรียกว่าสร้างประโยชน์ให้เก่ตนจริงๆห ร, ร, รอกเพราะฉะนั้นมันทําลายประโยชน์ตนทําลายสติสัมปชัญญะทาลายปัญญาทําลายสมาธิทําลายหิริโอตตปะมันทําลายมันเบียดเบียนเนี่ยนะมันตามเข็นตามฆ่าเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งนิ่งปั๊บเนี่ยมันคิดไปเรื่อยเลยเนี่ยนะมันคิดมันฟุง้งซ่านเป็นมันตามมันเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามเจตนาแห่งถ้อยคําที่เราเคยพูดเคยสะสมมาแล้วในะอดีตเพฉะั้นเรื่องที่ไรที่เราคิดเนี่ยนะ เชื่อเราเคยพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นหมดแล้วเคยพูด <c oughs> เคยฟังเรื่องราวประเภทที่เราฟุ้งซ่านมาหมดแล้วล่ะจริงๆมันเป็นผลผลิตของเราพูดมาเองอย่างเช่นเรานั่งนั่งนิ่งน่งคิดถึงเพื่อนอ๋อเราพูดถึงกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยมากอ่านั่นนิ่งๆ่งแล้วคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงโ น, น่นคิดถึงนี่พราเราพูดบ่นเพ้อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะพร่ำรำพันถึงสิ่งเหล่านั้นไว้ยเยอะ มันจะเอาไปไหนอ่ะอุปนิสัยปกตูปานิสยปัจจัยไปทิ้งไว้ไหนเพมันอกุศลก็เป็นปัจจัยต่ออกุศลพมันอกุศลละศีลเนี่ยจึงนํามาซึ่งเดือดร้อนะ น, น, นอาอกุศลเจตนาทั้งหลายนํามาซึ่งความเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปเดือดร้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนิวรทั้งหลายก็กลุ่มรุ ม, รมอุทาจักกุกุจักก็กลุ่มรุมเมื่ออุทจักกุกุจักกลุ่มรุมทุตจริญสามก็ กำเริบเสพสารหนักยิ่งขึ้นหนักขึ้นอวิชชาภาวะตัญหาก็ครอบงำท่วมทับเพราะฉะนั้นคพูดที่พูดคำเพเชอเป็นต้นจึงเป็นคำพูดที่สร้างความเสียหายเป็นคำพูดที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนั่นแหละในอนาคตเนี่ยนะพอถ้ามีปัญญาหน่อยทบทวนหน่อยล้วก็จะรู้เลยว่าคำที่เราพูดเนี่ยมันมันเหมือนอะไรเหมือนกับไปรีบไปผ่อน เราไปถูกหลอกกันนะเซ็นสัญญาแล้วเราต้องเราจะหาเงินให้เขาทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เซ็นสัญญาชนิดว่าถ้าเดือนไหนฉันไม่หาให้คุณนะฉันขอให้คุณมาแขวนคอฉันตายด้วยฉันก็ขอเชื้อดคอตัวเองตายเป็นต้นซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยเใครว่าไปเซ็นสัญญาเรี่ยราดกลาดเกลื่อนไปหมดคําพูดที่เราเป็นวจีทุจริตทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนการเป็นคําพูดที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเพราะคําพูดเนี่ย มันทำได้เยอะเนี่ยนะลิ้นในความที่ลิ้นมันไม่มีกระดูกมันก็เลยตวัดพูดได้เยอะเนี่ยวันวนหนึ่งก็พูดได้มากในทั้งร่างกายเนี่ยพูดแล้วรู้จักเหนื่อยใช่ไหมไอ้คําพูดที่เป็นวจีทุจริตถ้าพูดด้วยความเมามันมันไม่เหน็ดมันไม่เหนื่อยเมื่อไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วแหมกรรมเหล่านั้นเวลามันให้ผลเนี่ยมันก็ให้ผลไม่เหนื่อยเหมือนกันนะบาปมันให้ผลมันให้ผลแบบชนิดเป็นระลอกเนี่ยนะเหมือนแดดเนี่ยเดือนสมมุติแดดกลางวันหน้าร้อนนี่แหมแดดเนี่ยไม่รู้มันเอามาจากไหนถ้ามันแรงทั้ง แล้วก็ยิ่งแดดยิ่งร้อนร้อนระอุเข้าไปทุกทีฉันใดนั่นว่าอากุศลกรรมทั้งหลายเวลามันให้ผลมันก็ให้ผลแต่ความเจ็บร้อนเร่าร้อนแล้วก็คนเหล่านี้ก็ชอบทำเหตุใกล้กับของเก่าด้ว ย, ยนี่ไ นไปทําบาปทํากรรมอะไรมาทําไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ที่ไหนได้มันก็ที่จริงแล้วในโลกนี่มันมีแต่เหตุกับผลมีแต่เอ่อมีแต่เหตุปัจจัยกับผลของปัจจัยถ้าสาวให้มันดีๆเนี่ยนะผลที่กําลังเป็นอยู่มันก็สมควรแก่เหตุและก็เหตุที่กําลังทําอยู่มันก็สมควรที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตทั้งหลายเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นภพเด่นนะจริงๆแล้วปานาติบาศเนี่ยนะปานาติบาศเนี่ยนะ คือเจตนากรรมเนี่ยปาณาติบาตนําไปสู่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตอธินนาทานเนี่ยนะก็นําไปสู่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตกาเมสุมิจฉาจาร์ก็นําไปสู่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะมูสาวาคก็เนี่ยเป็นเหตุไปนําไปสู่ชาติชรามรณะโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและ อุปายาตมันคำพูดส่อเสียดก็นําไปสู่ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตพูดคําหยาบก็นําไปสู่ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตคําพูดเพ้อเจ้อทุกคำโดยมากนําเกิดได้นะนำไปสู่ชาติชรามรณะโ ch, สกะปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปายาตพันคำหนำึ่งคําที่เราพูดหนึ่งทีไม่ได้มันให้ผลนําเกิดรอย ทีเดียวเนะี่ยบางทีมันให้เกิดห้าร้อชาติเงี้ยนะคำหนึ่งคำที่เราพูดแปล่งเนะี่ยมันให้ผลซ้ำๆๆๆนําเกิดเป็นห้าร้อยชาติอย่างเช่นเราปลูกมะม่วงเนี่ยนะเพราะเมล็ดลงไปหนึ่งเม็ดเนี่ยมันให้ผลลูกเดียวใช่ไหมไม้มันให้ผลเป็นตันๆอย่างเงนะี้ยมันให้ผลแล้วไม่ใช่ให้ผลปีเดียวให้ผลติดกันเป็นสิบสิปีฉันใดเจตนาที่เราล่วงออกไปหนึ่งคำเนี่ยนะนะสิ่งที่เราทําเช่นปาฏิบัติทําไปหนึ่งที อธินนาทานทําไปหนึ่งทีกามเสุมิจฉาจารย์มุสาวาญปิสุณาวาจาสัมผัสปลาป ะ, ะนะพฤทสวาจาเป็นต้นถ้อยคําเหล่านี้อยากคิดว่ามันไม่ตามส่งตามกระหน่าเอาแล้วเอาอีกเวลาบาปมันให้ผลมันให้เป็นเหมือนคลื่นเหมือนกันมันให้เป็นระลอกระลอกระลอกแล้วก็มันให้ผลเป็นแบบชนิดที่เรียก ว, ว่าหลายหลาบางทีเนี่ยหลายๆชาติซ้ํากัน400อยชาติ 4, าต500้ชาติเป็นต้นเนี่ยนะ ขันตอนที่ทำเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นกำลังคิดถึงว่าคนที่ทำอกุศุลกรรมเขาไม่สงสารตัวเองในอนาคตใหญ่หรืออย่างไรเนอะว่าถ้าเจตนาเหล่านั้นมันให้ผลแล้วเนี่ย เขาจะทุกบานใดเดือดร้อนบานใดเนี่ยนะังนั้นความฟุ้งซ่านความไม่สบายความทุกข์ความยากความลำบากจริงๆก็เกิดจากเจตนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละดันเจตนาที่ความชั่วทางกายวาจาเหล่านี้นำมาซึ่งโรคาพยาธินำมาซึ่งอกุศลธรรม นั้นนำมาสึ้งความเดือดร้อนทั้งร่างกายและก็จิตใจสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองและบุคคลอื่นรอบข้างเป็นต้นมันคนที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะจึงเห็นพิษภัยทุกโทษของเจตนาที่ล่วงความชั่วทางกายและทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมันคนที่พยายามกำหนดปัดใจจัยให้ดีๆเนี่ยกหนดว่าคำพูดที่เราพูดหนึ่งคำเนี่ยมันมีปัจจัยสะท้อนต่อต่อไปต่อชีวิตตนและ คนอื่นอย่างไรเนี่ยนะคำพูดทุกคําที่เราพูดวันหนึ่งพูดไม่รู้กี่คำเนี่ยนะมันเป็นเหตุนะคำพูดทุกคำเนี่ยเป็นเหตุไม่ใช่ผลคําพูดทั้งหลายเป็นเหตุเป็นกรรมมะปัจจัยเป็นทั้งอุปนิสยปัจจัยเนี่ยเป็นทั้งนานัคคคินกกรรมปัจจัยที่จัะมีต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้อยคําที่เราพูดเราก็จะได้รับวิบากตามสมควรแก่ถ้อยคำนั้นเราพูดคําไหนมากเนี่ยนะกรรมขับคำพูดที่พูดเหล่านั้นเป็นผหุลกรรม เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจินกรรมคําที่เราพูดมากคํานั้นก็เป็นอาจินกรรมถ้ากรรมมันจะนําเกิดเพราอาจินกรรมจะนําเกิดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าพูดถึงคนเอ่ยชื่อคนทั่วไปก็เอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อใครมากอากันเพราะฉะนั้นใครเจตนาที่พูดถึงอะไรควรจะนําเกิดเป็นต้นนั้นก็ก็มาดูว่าอันไหนทําเยอะอันนั่นแหละนั่นแหละคือที่ไปของเราเนี่ยนะ ตามสมควรแก่เจตนาที่เราทำเอาไว้เพราะเราต้องมาเห็นภัยของอกุศลและเจตนาทั้งหลายซึ่งสามารถทำให้มันเป็นกุศลได้เนี่ยน ะ, ะคำพูดเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราทำมันก็แก้ไขได้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทั้งนั้นเนเพราะมันเป็นประโยช์คะแก้ให้มันดีก็ได้แก้ให้มันไม่ดีก็ได้ เพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติไม่เป็นธรรมทั้งหลายก็เลือกที่จะทำปาณาติบาตเลือกที่จะทำอาทินนาทานเลือกที่จะทำการเมสุมิฉาจารเลือกที่จะมูสาวาทเลือกที่จะปิสณาวาจายุแยงให้เขาแตกแยกกันเลือกที่จะพูดคำหยาบแล้วก็เลือกที่จะพูดเพ้อเจอ้อซึ่งมันมีทางเลือกซึ่งคำพูดเหล่านั้นเนี่ยนะใครได้รับเอ่ยเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่เหตุแหละเนี่ยนะ ดูก่อนพราหมณ์และเครืหา บ, บดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมเป็นการประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมเป็นความประพฤติที่ไม่สม่าเสมอทางใจมีสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างพราหมณ์และครือขาบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความเพ่งเล็ง เป็นผู้มากด้วยอภิชาอภิชาก็เรียกว่าเห็นสมบัติของตกคนอื่นแล้วคิดว่าทําฉนัยเนอสิ่งของของคนอื่นนั้นพึงเป็นของเราชอบเฉยเฉยในยังไม่ล่วงกรรมบทแต่ชอบปั๊บน้อมมาเป็นของตนปุ๊บเนี่ยเนี่ยล่วงกรรมบทเนี่ยนะให้ผลนําเกิดได้อันนะั้เรียกว่ากรรมบทแตกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะเปิดประตูนรกไขกุญแจเรียบร้อยเลยแพรกเลยเนี่ยนะเห็นของของคู่อื่นแล้วน้อมมาเป็นของตนเนี่ยนะทำฉัยสิ่งนั้นพึงเป็น ของเราด้วยทุจริตกรรมเนี่ยนะไม่ได้คิดแบบด้วยด้วยสุจริตธรรมอ่ะนะคือไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยตามตามเป็นธรรมอะ่ะแต่ว่าเห็นคนอื่นปั๊บเนี่ยทายังไงจะมาเป็นของเราด้วยเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยนะด้วยอภิชาทั้งหลายเนี่ยอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งอบายทุคติวินิบาศนารกนี้ต่อไปก็เป็นผู้มีจิตพยาบาทเนี่ยนะมีจิตพยาบาทเป็นผู้มีจิตคิดแต่ประทุสร้ายว่าขอให้สัตว์พวกนี้จง ปูกฆ่าจงถูกเขาฆ่าจงขาดศูนย์ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้มีเลยเนี่ยนะก็เรียกว่ามองเห็นป้าก็เหมือนกับว่าเห็นปุ๊บ ม, มองเห็นว่าให้มันระเบิดไปเลยเนี่ยนะให้มันระเบิดให้มันดับให้มันหายให้มันศูนย์ให้มันไปหมดเลยเนี่ยคือคือแช่งอะ่ะขอให้เช่นอย่ า, ยางง่ายๆเลยเนี่ยจิตพยาบาทที่ที่ล่วงกรรมบทเลยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมแล้วส่งเสริมเขายังไง ให้รถคันที่ปาดหน้าเราเนี่ยมีแต่ความสุขมีอายุยืนเดินทางโดยไปรอดปลอดภัยสุขเกษมปลอดภัยเธอขอให้ได้ประสบอยู่กับครอบครัวอย่างเย็นสบายใช่ไหมฐานะที่คุณปาดหน้าฉันไปหยกยกเป็นต้นคิดอย่างนี้ไหมนั่นแหละแต่ถ้าคิดตรงกันข้ามมาขอให้เขาเป็นยังไงนั่นแหละคือของเราละ่ะจงถูกฆ่าจงเรียกว่าจงถูกเขาฆ่าจงขาดศูนย์จงอย่ามีเนี่ยคําพูดเหล่านี้ล่วงก ร, รมบททั้งนั้นน่ะ เป็นคำด่าทั้งหลายแลค่ด่าประเภทที่ชนิดเรียกว่ า, าระเบิดแช่งชักหักกระดูกเนี่ยพวกนี้แหละเป็นเป็นเหตุที่ทําให้อบายเลยแหละว่างั้นนะทำลายกุศลธรรมของตนอย่างชนิดที่เรียกว่าเสียหายมากเนี่ยแล้วก็อันที่สามเนี่ยนะความประพฤติ ท, ที่ไม่เป็นธรรมความประพฤติ ท, ที่ทําลายกุศลธรรมภายในใจของตัวอีกก็คือเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อน ตรงข้ามจากความเป็นจริงบอกว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการให้ทานเนี่ยคนโง่บัญญัติคนฉลาดรับงั้นนะคนโง่เนี่ ย, ยมันคิดแต่จะให้มไม่รู้ตัวหรืองไงหมดฟรีเปลืองฟรีคนฉลาดดูสิมันรับเอาไม่เห็นต้องทำอะไรเลยก็ได้แต่รับอย่างเดียวก็ว่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดคือพวกนี้เนี่ยนะคือคือพวกนี้จะมองอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมองแบบชนิดที่เรียกว่าง่าย เอาทั้งทีถ้ารถเรารดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ทําไมไม่ไปใส่ที่เม็ดมันเลยอ่ะมันออกลูกก่อนแล้วค่อยใสยปุ๋ยเอาถ้ามันยังไม่ออกลูกฉันไม่ใสปุ๋ยอ่ะงั้นก็ใส่ให้แต่รากสิไม่มีประโยชน์รากมันดูดซึมไปทําไมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลแต่ว่าคําว่าเหตุผลนั้นอ่ะต้องมีปัญญาจึงจะเข้าใจได้นะเพราะว่าเหตุกับผลเนี่ยบางอย่างก็อยู่ใกล้กันบางอย่างก็อยู่ไกลกันว่ามีปัญญาที่จะเชื่อมข้อมูลได้ ติดไหมเนี่ยนะอย่างโทรศัพท์เนี่ยท่อนอันหนึ่งทําไมมันพูดได้ใช่ไหมมันพูดคุยกันได้ภาพอยู่อีกที่หนึ่งแล้วทาไมอีกที่หนึ่งเขามองเห็นได้เป็นตน้นก็มีอะไรตั้งหลายเรื่องถามว่าเรารู้ไปทุกเรื่องใช่ไหมฉันใดในเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าไม่มีปัญญาอย่างเพียงพอก็ยากที่จะเข้าใจถ้าไม่ลงรายละเอียดข้อมูลอย่างจริงๆแล้วก็ไม่น้อมมาเก็บส ต, ติในชีวิตเป็นจริงแล้วก็ยากที่จะเข้าใจเนี่ยนะก็เลยคิดว่าการให้ทานไม่มีผล เรี่การให้ทานไม่มีผลเราถ้าเราให้ใครแล้วคนนั้นต้องให้ตอบแทนเราคืนใช่ไหมเรียกว่าให้ทานแล้วมีผลมันถ้าเราให้เขาเขาต้องให้เราตอบไมไ่หมายคำว่าอย่างนั้นเจตนาที่เกิดจากการให้อะ่ะมันมีผลแต่พวกนี้คิดว่าเจตนาที่คิดจะให้แล้วน้อมไปเพื่อการให้ไม่มีผลการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญเนี่ยนะเลี้ยงดูแขกเรือทั้งหลายก็ไม่มี ไม่มีผลวิบาสของกรรมชั่วกรรมดีก็ไม่มีทําชั่วได้ดีมีที่ไหนเหมือนันเนี่ยทำชั่วได้ดีมีถมไปเหมือนันนะเพราะฉะนั้ น, แบบ น, นพวกนี้ก็จะสังคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไม่มีตายที่เมื่อไหรก่ก็ตายแล้วก็เกิดเออเขาว่าเกิดแล้วก็ตายจบกันเนี่ยนะไม่มีอะไรและชีวิตเหลือแต่คิดเท่ากันนะ มันบุคคลบางคนเหล่านี้ก็นึกว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วก็อยู่แค่ชาติเดียวเนี่ยน ะ, ะบางทีก็นึกว่าแค่ชาติเดียวเพราะมีนักบริจาคอวัยวะคนหนึ่งเขาคิดว่าเขายังไม่อยากตายไปจากโลกแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายแล้วก็บริจาคอวัยวะให้คนอื่นคนอื่นจะได้ไปใช้เขาจะได้อยู่นา น, น, านๆเขาพังฮะเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่กับอวัยวะทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีวิจิตพิสดารพวกนี้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามันมีอยู่จริงอะไรรอกจุติแล้วปฏิสนธิเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นทําบาปกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลทําดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นจะทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ทําไปเถอะมันเป็นรายรอกเนี่ยนะหญิงแก่ชายแก่แค่นั้นแหละมีอะไรหรอกเหมือนกันก็แล้วก็ปฏิเสธว่านรกเปรตอสุรกายไม่มีปฏิเสธเทวดาเป็นต้นไม่มีเหตุผลเพราะไม่เคยเห็น เนี่ยไม่เคยเห็นแล้วจริงๆแล้วเขาเคยเห็นอะไรบ้างเอาเห็นกี่เรื่องจริงๆในโลกนี้โลกนี้มันมีวิจิตพิสดารเลยเนี่ยนะถ้าเอาแต่ตาของตัวมาวัดแล้วตนเนี่ยเคยเห็นอะไรบ้างเนี่ยนะเห็นมากี่เรื่องเห็นมากี่อย่างแล้วรู้เรื่องสักกี่เรื่องเฉยว่งั้นเพราะฉะนั้นทำไมต้องแหมเอาปัญญาตาถั่วของตัวเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ไปไปปฏิเสธว่าจริงหรือไม่จริงแต่ก็คนจำนวนไม่ใช่น้อย ไม่เชื่อนรกเพราะเหตุผลว่าไม่ไม่เคยไปบอกเออถ้าไปแล้วก็ค่อยรู้สึกเองอเลยจะไปนานอะไรแต่คนที่จะบอกว่านรกไม่มีเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีก็มาขอให้อายุท่านยืนยาวนานเถอ่อนี่นะพราะถ้าสิ้นอายุไปแล้วจะไปไหนเพราะคนที่คิดแบบนี้จะทําบุญหรือทําบาปโดยมากก็ทําบาปที่จริงอะ่ะบางคนที่คิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริงเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําบุญเท่าไหร่แล้วทําไว้แต่บาป มันถ้ามันมีจริงอะใครจะไปเพราะเราเพราะฉะนั้นปฏิเสธซะว่ามันไม่มีไม่จริงไม่มีไม่จริงจริง ไ, ไม่จริ ง, ร ง, รงก็จักรู้ด้วยกรรมของตนเนี่ยน ะ, ะเดี๋ยวก็จักรู้ด้วยกรรมของตนมันไม่นาาร้อไม่ต้องแช่งเพราะทุกอย่างก็สมควรแก่เหตุผลอยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวสู่ต่ อ, ต อ, ตอไปเราก็จะเรียนเราบอกว่า หมายความว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความชั่วทางกายวาจาและใจจะให้ผลเป็นความสุขและก็เป็นความสบายให้ผลเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสแล้วก็เป็นไปไม่ได้นนะ